มันไม่เป็นพวกการอยู่การไปมันเป็นเพราะความคิดของเรานี้เองดังนั้นจึงดำเนินงานไปช่วยกันประกอบไปทำให้ป็นอเล็กซานเือร์ ไ, รไทยเราเนี่ยเอเนี่วัดวัดวัดปานนาชาตบูหวยจะให้มันเป็นวัดบูบายนะ แต่ผมถามฝรังว่ามาจะไหนมาจะวัดบุ่นวายมันวัดบุ่งหวายใหญ่มันบุ่นวายใครมาที่นี่ก็มาช่วยสร้างอนุสรณ์ที่นี่ไว้ที่นี่แล้วก็ผมเห็นว่าญาติโยมทั้งหลายนั่นก็ให้ อ, อีวานดา บ, บินสบาดเทนาสนะเทสัตตินีพอสมควรถึงแม้ว่า เขาจะอยู่ในป่าในโดงก็จริงจะเป็นคนมานอกก็จริงเขาก็ทำตามกำลังศรัทธาของเขาอย่าไปถืออย่างนี้นะแม่โยมเนี่ยเทศไน่ฟังเรื่กงความลาญทำไมอืมวันนี้เป็นวันพระมาสมทานถึงแล้วพรุ่งนี้ก็ไปพอดแหนให้เราเห็นอยู่นะ ยังไปกินสุราให้เราเห็นอยู่อีกขินระวันพระหน้าประมาทสมทานอยู่มาฟังธรรมอยู่นอกนั้นออกไป้ก็ไปทอดแหน่อยู่ฆ่าสัตว์อีกไปกินเหล้าอยู่อย่อยางนี้คิดเช่นนี้เห็นอยู่ก็ไม่สบายใจนี่เราทําอะไรด้อะไรเลยไม่เกิดประโยชน์เลยนะวันนี้สมาทานขินเดียวพรุ่งนี้ก็ไปทอดแหน่อย่างนี้บางทีพระ ผู้มีปัญญาน้อยกน้อยใจว่าเราทำงานไม่ได้ผลว่าเราทำงานไม่ได้ผลไม่ใช่เราทำงานไม่ได้ผลเขาเนั่นไม่ได้ผล เ, ออเราทำงานได้ผลอยู่ที่นี่เมื่อมันเกิดทุกข์อย่างนี้มาทำไงเราปรินานในตัวของเราว่า เ, ออเราต่ความมุ่งหมายของเราให้เปเกิดประโยชน์แล้ว ไอ้คนนี้อินทรียเขายังอ่อนอินทรียเขายังไม่กล้า อ, ม, อมันก็เป็นอย่างงั้นก่อนไ้เขาทําไปนั่นก่อนแล้วไปแนะนำเรื่อยไปอย่างนั้นอินทีย์ยังไม่กล้าถ้าเราจะทิ้งเขาพวกนี้ไปแล้วนะมันก็ยิ่งร้ายไปกว่า น, นี้อีกอันนี้วันคืนก็ยังมาเตือนมนันยังรู้จัก เน่อายุมันครอบอมา้ค่อยๆละอายไปเรื่อยๆไปอย่างนี้ก็ยังเขายังมีศรัทธาให้ทานให้ทานช่วยพวกเราในในปัจจัยสังขีนี้เหตุการให้ทานนี้กับผมสัพิจนาแล้วเขาเรียกว่ามันเรื่องใหญ่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องให้อาหารการปกกันเรื่องให้เสนาสนะเรื่องให้ยาบำบัดโรค เราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะนะเขาคงเถรอไปไปพอดีพานนั่นเนี่ยถ้าไม่มีอาหารการขันมีไปไมีไว้แล้วนั่งสมาธิไม่ได้ตั้งในวัดบุญวายนี่ไม่ติดแล้วแล้วก็คิดว่าไอ้คนนั่นทั้งหลายแลาวนั่นกินขี้เขายังอ่อนอยู่กินขี้เขายังไม่กล้าก็อ ย, าอยู่อย่างนั้นนะทีนี้เราจะทำเป็นคนยังไงเราทำเป็นคนขายยา นะทําเสมอเป็นคนขายยาด้วยไปเหมือนกระไ่เขาขายยาอตอนเช้ามาก็ตรวจดูรถดูราแล้วกนะ็เอารังยาขึ้นใืปแล้วก็โฆษณาไปเถอะยาปวดหายยากันใจยาอะไรเราก็ว่าเราไปเรี่อย ยาแก้โรคอะไรต่างๆเนาะเพรว่าของเราไปอบางทีคนมันปวดหี่ขัดหรือทีมันปวดท้องมันก็ต้องมาซื้อยาเราเราก็เอาเงินกับคนที่ไปมาซื้อยาเราตอนนั้นเนี่ยแต่คนที่ไม่ไมาซื้อยาเราเราไปเอาเงินจากเขาไม่ได้เราก็ยินดีเฉพาะคนมาซื้อยาเราแต่คนที่มันนั่งอยู่บ้านอนะไร้นมันมาซื้อเดีเ๋ยจะไปโกรธเขาเลย อย่าไปโกร้เขาเลยอย่าไปไว่าเขาเลยไอคนที่เขายังทําไม่ได้อย่าไปโกรธเขาเลยอย่าไปหว่าเขาเลยเขาแต่แนะนาคําสอนเรื่อยไปเขาจะเอาเมื่อไรมืออินเทีร์เขากล้ามาเขาจะเอาเหมือนจะขายยาเราก็โฆษณาขายายาเรื่อยเรื่ยไปถ้ามันปวดท้องปวดที่กะมันก็มาเอายาเรานะ ไอ้คนที่มาไม่เอายาเรานะ่ะเขาก็ไม่ปวดท้องไม่ปวดที่ศักดิ์ประจังเา้าแล้วก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปเท่านั้นเองแล้วก็ปัญหามันสมดุลไปแต่ครั้งตอกพี่เจ้าก็มีอย่างนี้แล้วเราต้องการใน้ถูกหยุดนัน่นมันก็ไม่ถูกมันนี่เราอินทรียังอ่อนอินทรียังไม่กล้าบารมียังไม่เต็มเขาจะก็ดไปเหมือนกันกันกบผลไมา้ ที่มันยังอ่อนอยู่นั่นจะไปบังคับในมันหวานแล้วก็ไม่ได้สพราะมันยังอ่อนอยู่มันดิบอยู่มันยังเปรี้ยวอยู่มันยังฝาดอยู่เพราะมันยังไม่โตมันยังไม่แก่แเราจะบังคับในมันโตไม่ได้จะบังคับในมันหวานนิวนั้นไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปอืแห้มันเปลี่ยนการเปลี่ยนเดรามาให้อินทีมันกล้าอืมให้มัน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 มันจมอยู่ในโคลนค้นจมมาแล้วอยู่กลางน้ําเหลือดกระเสมอน้ำได้ประพ้นน้ามาแล้วออย่างนั้นประพุ่นเจ้าของเราก็เป็นเหตุให้โ ส, สูตรสัตเพราท่านรู้จักขินคลีแกะผ้าของสัตว์ตั้งหลายนั้นอยู่อพวกเร า, า, า ต, รต่างๆนี่ควรรักันกันนั้น อันนี้ก็ตรงกันต่ออันนี้ไม่ต้องคับใจเราเป็นคนหน้าที่ขายยาเราไปโฆษณาขายไปแล้วก็แล้วกันไปไอคนจะมันเป็นโรกสักวันหนึ่งมันต้องมาซื้อยาเราอันนี้ก็เหมือนกันเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าอีกเมื่อหนึ่งวันหนึ่งมันจะเกิดมีทัฒาขึ้นนี่ก็มีอันนี้บังคับมันไม่ได้ถ้าเราคิดแค่นี้เราจะสบายใจอยู่ตรงนี้ก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์ มันมีประโยชน์เรื่องการสันงการดังนั้นโคนนรงการธัรมหมายจงประพึติปฏิบัติกลุ่มเกี่ยวการเมื่อมันเกิดทุกมาเกิดความไม่สบายมามเกิดอะไรอะไรมาทุกอย่างให้เราเลือกพึ่งคุณพระพุทธเจา้าพระพุท ธ, จทธจเจ้าสอนอย่างไรเดชะทำท่านปฏิให้ปฏิบัติอะไรอย่างไรแล้วพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอย่างไร กีข้อปฏิบัติของพระสงฆ์นั้นคืออะไรมีพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านรู้อะไระท่านบัญญัติธรรมะนั้นบัญญัติอะไรและปฏิบัติอย่างไรคือประสงค์ให้ในรึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระ ส, ระสงฆ์ไว้ในใจของเราทุกเวลานั้นและประโยชน์เกิดขึ้นมามประโยชน์เกิดขึ้นมาแต่นั้นทุกทุกท่านทั้งหลายนั้นก็ถึงแม้อยู่เมืองนอก ก็มอยู่เมืองเดียวกันแต่มีความฉันมาคีสำคัญคงเปียวกันอแบบนี้สุเมโทรทั้งปไปแล้วนะ่ะยังเหลือเแค่พวกเรานี้ที่ไหนที่ไหนก็ก็มาเข้าไปวัดน้องบัวคงกงไปที่ไหนมาดูที่นี่มาปฏิบัติที่นี้มาดูที่นี้มีเป็นอนุสรแล้วรู้สึกว่าประชาชนคนจำนวนมา ง, ม ง, งหลายก็ เรื่องสายยินดีเรื่องสายให้อย่าลืมตัวนะให้โปรดสัตว์ใจสัตว์โตร เ, เราตั้งตัวให้มันดีทำให้มันดีมันก็มีผลเกิดขึ้นมาวีเป็นไงลาวีไไววเขาวีเป็นไงใจสบายไม่ได้ห้าสิบเปอร์เ็นไหม ใจสงบไหมห้าสิบเปซ็นไหมอะไเนยนะวีอยู่ังกฤษเจรเจรยาสิบเปรเนี่ยนะทุกๆคนมีอะไรไหมใครทุกไกอะไรไหม Anybody have any doubts? วาวไม่หรือไม่ฮะ เ <Yeah. S 2> วลาจิตใจมันมันืดมันไม่ไวงเข้าใจไม่ไหวยุ่งขอแนะนำใช่แต่อู้ไปไปดิ้นั น, น, น, นจนเด่นเด่นถ่วหรือไม่ต้องทำอะไรสันเกตอาการน้ำน้ำนั้นคือ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 โดยเรานั่งสมาธิมันมันะคโอมันมันนิวอันขนาะเออเอาว่าไปบุ้งมันจะยังไงนั่งสมาธิเป็นยังไงรับพมนานๆนี่กรับคืองูกลับหลอบหลับขับหลับขึ้นไปนะตองนอนแรงแ็รงร ไอแค่มันง่วงเลมันเมื่ยเกงันทึบไเ่ยไอแค่ไม่ง่วงแมัน่วงอไอแมันง่วงอ่วง่ะ มันเือด อ, อยากจะให้มันมีปัญญาเนี่ะเรียนิยบุตรเดินจะคมให้มากเดินจะคมมากไห ม, ม<า>ถ้าสนใดวันหนึ่งสี่เที่ย ว, วเดินจะคมให้มันมากนี่อันหนึง่งนะ เดินยังโก้ไม่มากกว่าอายยาบทเดินมันมากกว่าเดินนี่นจนเหนื่อยเดินในสามสัปดาห์ไมเดินกลางวันด้วยกลางคืนเดินกลางวันด้ยกลางคืนเดิน กล า, างวันสงงนองสัปโมงแล้วมันคิดไหมเมื่อเราเดินกันตรมนั้คิดหลายไหม <c oughs> โดยมากมันคิดไปในทานองไหนมันคิดอะไรมาก เ, เมื่อจิดเรามันมันเมื่อ น, นั้นครับ ทำอย่างไรซึ่งแกไขนั่นมันสงสัยปล่อยมันกำหนดรู้เฉยๆหรืออพาวิตีใดวิตีนึงหรือร อ, อุบายใดอุบายหนึ่งแกไขได้หรือทำอย่างไรมันไม่คิดเมื่ะมันไม่คิดเดะอะมันไม่คิดคิดอยู่กับที อิรียาบถมันไม่สม่ำเสมอนะมังการเดินนี่มันมีความคิดมากมันมีความคิดมากตอามในพิจาณามากแล้วกิตมันก็ออกมันไม่ติดอยู่ที่นั่นก็ก็ช่างมันเราเราเราเพิ่มการเดินใน่มันมากเลยตรงนี้มันติดอยู่ตรงนี้ก็ติดไว้นี่ก่อนนะมันอยู่ใี่นี้ก็พี่ารณายุดจุดนี้แล้วมันไม่ไปก็หยุดจุดนี้ก่อน แต่ว่าหาอุบายเราก็ต้องยกเปรียบเทียบให้มันจิจานณาให้มันออกเมื่อกิดมันเป็นเช่นนั้นเอามันออกพิจารณาเคยพิจารณาร่างกายไหมพิจารณาร่างกายแต่ตเจนีตรงมานี่อเคยจิตต่อกันไหม เคยพีนติดต่อกันบ่อยๆหหรือนานๆทีหนึ่งทุกวันที่นี่เทวมันมืดมันเป็นไงมันไม่อยากคิดที่มันเป็นไงเทวมันมืด mm hmm. ตรงส่ว is ี่ฉันเชื่อว่าว่ n ต t งนี้จะทำให้ ไม่โดนงชันแต่นมิต่อ์ทข้ว่รนเป็นทุกขีกนมาเองทุกป็นการทุกข์่เกิอเป็นทุก่ิดนเเป็นทุกขกมอ เรานะเมื่อจิตเป็นเค่ น, นั้นเราก็นึกว่าจิตเรามืดไม่เกิดปัญญาลแล้วเราก็เคยเป็นทุกข์จิตก็เกิดเปทุกข์ขึ้นอาการจิตอย่างนี้นะ อ, า, อาการจิตที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้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 ที่เราอุปทานมันคือเราเข้าไปสงสัยในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันถึงมืดที่นี่เจ้าเจริญผ่านไปเนี่ยคือว่าการทำเพียร น, นี้ไม่ต้องสงสัยอะไรมันที่มันเกิดขึ้น ม, มาเจ่าํำหนดรู้เท่านั้นก็พอแล้วเข้าใจาไหม<า>ให้ฟังดิจุดแรก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 Just note these things and continue the day-to-day -day, uh, practice. If you say not to stop, it's like continuing on walking on the path. It's not to stop off there. If you stop off there, we well, get hung up. Rather to just note as uh, things, just like noting things passing, like in a car or something. Just to note them and then continue on. Mm -hmm. แล้วก็มันชอบง่วงไหมนั่งพี่ชอบง่วงไหมชอบง่วงไหมทีง่วงกับไม่ง่วงอะไรมากเท่กันที่ง่วงมันก็จำไม่ได้นะถ้านั่งมันง่วงอย่าหลับตาให้ดืมตาเท่งดูจุดได้จุดหนึ่งอย่างนั้นก็ได้ ปรมือไหดูจักไม่เสียงดูจุดใดจุดหนึ่งผมบออยู่เรืยทุกคน่บอยอย่ะเชื่อผมวันใดก็ยังหลับตาอยู่เรื่อยหับอยู่ท่นน่ะนั่งนั่งสมาธอย่าไปนั่งนั่งเงนี้ถ้ามันง่วงนอนดูจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนี่ยมัน ยังแสงไฟมันมากระทบเสื่อแล้วมันใสมองๆกันดูยิไปดับตามันอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งทำจัดนิวรนความง่วงความมืดออกจากจิตใจของเราก็ได้ถ้าวันนี้พอคนเราดับตาดูที่มันในง่วงดีใสอยู่ข้างในล้วก็ดับไปได้ ถ้ามันจะง่วงแล้วเป็นตน้นเราก็ดื่มตาขึ้นดูจุดได้จุดหนึ่งนี้ค่ายๆกับสินเขาเนี่ยนะอย่างนี้แก้ตรงนี้ไอ้จิตมันสงบไอ้จิตมันรู้ไอ้ที่เรามันนอนมันง่วงมันไม่ใช่จิตสงบหรอกมันนิวรรครอบงามันมืดทีนี้อ่าการนอนของเรานั้นอะ เรก็แก้ไขมันจะทําให้มันนอนเลยมันก็ไม่ได้นะธรรมชาติของร่างกายเรามันมีอยู่ถ้าเราทําให้มันง่วงนอนที่สุดแล้วะก็ให้มันนอนใช่การให้มันนอนมันกระงับนิวรณอย่างหนึ่งเหมือนการทํามันติมที่มันแล้นี่แล้วก็เม่อเรานั่งใหญ่มันง่วงถ้างง่วงดื้อตาขึ้นดูวันี้ถ้ามันใสกลับไปทางไในระดับ ตาก็ได้ดับตาแล้วมันก็ยังไกอยู่นี้นี่ก็เรียกว่ามันไมมืดแล้วพอสมควรสมควรสมควรตามกำลังเวลาแล้วเราให้มันบางทีคนเราก็นอนอยู่เรื่อยไปไม่ให้มันนอนมิแต่มิแต่แตอดนอนมิเตปันความนอนไม่ไหม่มันนอนนอนนั่งง่วงไม่ไม่ได้รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยี่กําจัดนิวนรณดอก Talking about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 Get through the hindrance of uh, dullness and sloth and torpor, sleepiness, whatever it might be, and to clear your mind out, and uh, to be able to see clearly what's going on within you. Move, try to move, do you o v e Huh? Move, a r y to move, do you move? y e a The. Then, but then, b t the then, but the person, the p r s o n is a t i s f i e d in w i c h place? Uh. เอาไะไมองเอาตานีมองเนื้อเาแกาบอืมใกล้ไปไหมเพื่อใจมันรวมตรงไหนมันก็ได้อ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเราไปดูดูตามอาการมันนะไปยึดตามอาการมันก็ยากนะเรื่องภาวนา t แต่ความเป็นจริงนั่นหลักนะอ่า หลักที่เราให้ภาวนากำหนดจิตนี่อย่างอานาปานสติเป็นรากฐานเรานะอาที่แรกจริงๆนะ่นนะแล้วก็ควรกำหนดว่าบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้ไว้ในใจของเราเราจะเอาอาณาปานนสติเป็นรากฐานตระกรู้ไว้ในใจของเรา ว่าันนี้เราจะทำอะไรในเวลานี้เราจะกำหนดอนาปารสกิกกำนหนดแล้วก็หายใจเฉยๆหันใจเฉยๆเข้าไปออกมาให้เรารู้จุดของวันวั น, วนหนึ่งสองสามีไว้ลมเข้าไปนนี้เดี๋ยว่าต้นลมหยุดตรงนี้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 ทีนี้อันนี้เป็นเหตุให้ผูกจิตของเราหลายหลายอย่างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลมเข้าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ที่ปลายลมนี่ลมออกต้นลมมีตรงนี้กลางลมอยู่ที่ปลายลมนี่พอเรานั่งเข้าไปแล้วกําหนดเราดูจากต้นลมกลางลมปลายลมสเสมอทีนี้จิตของเรามันจะเป็นอย่างนี้ ก่อนเราจะนั่งจะหายใจนี้ก็เรียก ว, ว่าเราให้จังหวะจิตของเราให้สบายซะก่อนคล้ายๆก็เราเหยียบจักเราเหยียบจักเราฝึกเหยียบจักเรานั่งถีบจักรเ่าๆเฉยๆซะก่อนอันนี้กรมวนกานเราจะนั่งสมาธิเราหายใจเฉยๆซะก่อนไม่กำานดที่ไหนมาละกำหนดว่าเราหายใจตอนนั้น แล้วมันสบายที่ไหนมันสบายขนาดไหนเราก็จำไว้เมื่อเราจำว่ามันสบายขนาดนี้ยาวขนาดนี้สั้นขนาดนี้เราก็กำหนดเข้าเลยหนึ่งสองสามให้มันจำนานจำได้ไม่หลงต่อไปอีกระยะที่สองขั้นตอนที่สองนั้น เมื่อจิตของเราทำงานตรงนี้ตรงนี้พอสมควรแล้วเราต้องเอาความรู้ตั้งไว้ตรงนี้ปลายจมูก ร, รุลิมทีปป่ปากนี่ไม่กำหนดว่ามันมันเป็นยังไง ร, รู้จักว่ามันออกมันเข้าตอนนั้นพอพอแล้วชั่นยาวก็ไม่ไม่กำหนดมันหายใจเฉพาะพอดีพอดีว่ามันเข้าไปรู้จัก บางทีมันจะมีอารมณ์ผ่านขอามาหรือไม่ผ่านมันจะวิตกคำว่าวิตกมันจะยกเรื่องอะไรหนึ่งเกิดขึ้นมามันวีตกยกเรื่องนั่นขึ้นมาอย่างเรื่องสั้งขานอย่างเรื่องโลกหรือเรื่องอะไรต่างยกเรื่องสั้งขานขึ้นมาตะธรรมะยกขึ้นมานี่เรียกว่าวิตกเมื่อยกขึ้นมาแล้วมันก็ไอความรู้สึก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 อันนี้ไม่ง่วงนะเด็กตัวนี้ไม่ง่วงถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่ง่วงเมื่อมันคลุกคีไปก็อารมณ์ต่างๆนี้เรียกว่าวีจาร์เมื่อไปถึงวิจาร์พอสมควรแล้วเรายกขึ้นไปอีกทีนึ่งตั้งคือมันดืมต้นดมแล้วเามาจับในตรงนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้เรื่อย ไ, ไปมันก็วีตกมันก็วีจาร์มันก็วีตกมันกวีจาร์วีตกมันก็วีจาร์ ถ้าหากว่าเราปีนาแงสังขารเป็นต้นจิตมันก็สงบเข้าไปมีวีตกวิจารณ์มันเตรียมก็เกิดจะตาปีติเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีวีตกมันมีวิจารณ์มันปีติเกิดถึงคือความดีใจเกิดขึ้นมาในเวลานี้ความง่วงเหงาหงนอนนี่มันจะไม่มีละมันจะไม่มืดละถ้าเราทําอย่างนี้มันจะไม่มืดออมันมีความรื้อใจขึ้นมาความดีใจขึ้นมาแล้ว นะเดียมขมตดไปมันจางทีจางไปยกวีตกขึ้นมาอีกเอาไปไว้ตรงนี้อีกแน่นอนอีเจ อ, อมไม่มีอะไรอีกพักนึงมันจ ะ, จะเป็นวิจารนะคือมันมีอารมณ์มาแต่ก็ครุกคีวิตท่า ว, ว, ว, วิจารอารมณ์เรื่อยไปนะเมื่อไปถึงสมถ า, านที่เราต้องการถูกกระดิตของเราเมื่ อ, อไรอารมณ์นั้นนะ มันจะเกิดปิติคือขนพองสยองข้าวเกิดอิ่มในใจขึ้นมาอย่างนี้เป็นดโนดถ้ามันเป็นอย่างนี้ความว่องเงาหานอนนั่นไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ทุกข์ใจของมันตรงเนี้ทีนี้เมื่อกิจมันเป็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นวีตกมันก็เป็นวิจาร์มันก็เป็นวีตกมันก็เป็นมิจา์มันก็เป็นวิตกเป็นวิจานหรือปีติแต่ก็มีความสุข อันนี้การเรานั่งทีนี้ถึงแม้เราธรรมยาบทการการยืนหรืการนั่งสมาธินี่พอสมควรแล้วก็พาเดินเดินไม่คก็จะเป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละอารมณ์นี่เป็นอย่างนี้มันไม่นอนเหมือนกันมันมีวีตกมันก็มีวิจาณ์มันมีวิตกมันมีวิจารณ์มันก็มีปีติอยู่เรื่อยอันนี้นิวรณนไม่มีไม่เศร้าหมองอื่ไม่เศร้าหมองอะไรก็ช่างมันถ้ามันมาเกิดผ่านไม่ต้องสงสัย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 ที่มันโปรง่งที่มันมืดนี่เป็นส่วนไม่ต้องทำความเสียใจดีใจของมันว่าอา ก, อ า, การจิตมันเป็นอย่างนั้นเทีนี้กระทำมันน่ทำเดินยังโกงมันมากกานั่งเรียนยาบทนี้ไอ้มันเหนื่อยที่สุดแล้วนกะ็เมื่อเหนื่อยปุ๊บขึ้นมาก็นั่งเนี่ย้ใจไหมเจนี้นะทำหน่นัน นั่งก็ตั้งใจให้มันนั่งที่จะไปทำเล่นอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามันมง่วงนอนดด่มตาขึ้นตะมองดูน่ะเพ่งเราเนี่ยอยู่เฉยๆก็ได้ล้วจะยุงนี้ก็ได้มันมียุงหลายาอย่ยุ่งนี้ก็ได้มองนานๆให้จิตมันนิ่งมันหลบสงบจากอารมณ์นั้นได้กำไรแต่ก็นั่ง ถ้านั่งไปข้างในมันแก่ใสไม่ง่วงนอนเราก็นั่งแบบตาไปเลยถ้ามันจะง่วงก็ดึมตาขึ้นมาอีกดูอันนี้อีกเพ่งลงไปอย่างนี้นะฮะอย่าไป ท, ทําตลอดวันตรอดคืนนะถึงมันง่วงพอสมควรก็รให้มันใจไหมละ่พะพอสมควรแล้วก็ให้มันเหมือนเราแหละอืมฉันข้าววันหนึ่ะเวลาหนึ่งถึงเวลาเราก็ให้มันชาน ไม่มันชั้นสีวันห้าวันว่าก็ไม่ได้เหมืนกันมันทุกข์นะมันทุกข์จิตนี่ก็เหมือนกันการนอนนี่ก็เหมือนกันพอาะตงควรแล้วก็ให้มันนล้วก็ลดกนอนลุกขึ้นมาไปให้ง่วงไม่มันง่วงนอนลุกก็มันก็ทํางานทําความเพียรเดินจงกรมให้มากๆถ้าว่าเดินช้าๆมันช้าเดินไปเน่ยมันทึบนะเดินเร็ว นะเดินเร็วๆเดิเดเดเนเรืครับโดยมากจิตมันอยากจะคิดไปในทางไหนก็ไม่รู้มันจะครจว่ามันทึบครับมันเทึบอื วิตกกับวิจารมันหไม่คือเหมือนกันอันเดียวกันใช่คือการการพิจารณาเลยใช่วิตกก็นั่งไปเมื่อก็นั่งไปคิดถึงบัพากโรเวยนี่เดีย ว, วกัวิโตกเข้ไหมอืม มียกววีตกที่นี่มันก็เอาเรื่องคิดของพระปัสสาวะนันวิจาร์เรื่องพระปัสสาวะนันไปเรียกว่าวิจารณเ อ, อวีตกยกขึ้นมานี่อยู่นี้วีตกยกขึ้นมาแล้วก็วิจารณก็ปิจารณานี้นลูกทีกันไปกับอารมณ์นั้น อย่างมันยกความตายเกิดขึ้นมาปุ๊บความตายเดี๋ยววันยกขึ้นมาแล้ววิจารณ์ความตายยิงไงอะไรยังไงตัวเราก็ตายคนอื่นเสียตายยังไงกัได้ตายแล้วมันไปที่ไหนอะไรเล่เลือกเลือกยกใหม่อ่ามันจะไปไหมเลือกใหม่จะอารมณหายใจต่อไหมต่อไหมบางทีก็บางทีมันก็ไปด้เรื่อยๆไม่ไม่ไม่ไม่กลับมาไม่เอาเนี่ยกมันยงมาตัวนี้ไปเรื่อยเรื่ยจนจิตใจมันแจ่มใสนี่ วิจารค่ะมันปีจารไปถึงมามันมันมันมันมันไปถึงอันใดอันหนึ่งที่เรามันถูกจดิตของเรามันจะเกิดหัวลุกขึ้นมาก็ได้เกิดน้าตาไหลก็ได้เกิดความดีใจขึ้นมาก็ได้ได้ห ล, หลายอย่างอันนี้ปีติมันจะเกิดต่อไป <I. S 2> Like it, you know, we hope n j u s t be any kind of thinking, mm. but here in the meditation, you know, in your mind is calm, and then you pick up some object, or maybe something comes up by itself, and then you uh, the and when your mind is concentrated, then you can uh, work with it further, mm. and then when it w h t you know when it gets all the way there, then the, the rapture a r i s e s and then there's you know there's no thinking there, or anything like that.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 I w a n t to ask him about that. I mean, how do you e e n know f o m t r e r o i t Well, here you're taking uh, the s h e b o d i as your basis for doing it. Okay. l e We talk, we join. This, t h t o n know, is a s e d o o n s c i o u s e s s and e emotions and t h feelings and the t i o g h t s and that. ความสงบวครับเลยใคจะความสงบแล้วคือจิตเรา ม, นารมาันสงบพอสมควใช่ใครๆว่ามันมั น, ม, นมันนอกความปรุงแต่งรืคิดมันมันขึ้นมาเองไว้ใช่นั่งยิ่ตกเลยไปนั่งก็ยิ่งตกเรื่อยยิ่ตกถึงอย่างเช่นว่ายิ่ตกถึงผู้เยาเราตายนะแค่นี้คือมันตกเลยมันตาย วิตกถึงบ้านถึงที่น้องหรือญาติอะจิตสงบแล้วนะจิตสงบมันวิตกแต่ว่าสงบมันยังไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันสงบแล้ววิตกแล้วมันก็วิจารณในเรื่องนั้นถ้าวิจารณ์ในเรื่องนั้ น, น, น, นสิ่งที่มันเป็นกุศลทำแล้วมันก็ สบายใจดีใจเกิดปีติต่อไปนี่มันก็เลยเป็นปีติบางทีน้ำตามันไหลบางทีมันขน ล, ลุกบางทีมันนี่มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมันเกิดจากวิตกวิจารณ์นี่เองการจิตที่มันสงบแล้วที่เขาจ เ, เป็นปัะตสมาฌานตุติยฌ า, านตติยฌ า, านเขาไม่ว่ามันไปหรอกเขาว่าถึงพวามสงก อวิตกวิจารณ์ปีตีกสุขทีนี้มันก็ทิ้งไปวิตกวิจารณ์วิตกวิจารถ้ามันกิจสงบไปแล้วมันก็นวิตรวกวิจารเนี่ยมันทิ้ง ม, ม, ม, มันทิ้งมันเนือเตะปีตีกสุขทําไมมันมันทิ้งมันไปไหนคือคือจิตมันหยาบ มาคือจิตมันละเอียดแล้วน่ะวิตรกมันมันเป็นของหยาบแล้วจิตเรามันละเอียดแล้วมีตรกมันได้ทิ้งไปมันหายไปไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันไปทีไหนเน่ะวิจารมันก็หายไปด้วยแต่ปิติเฉยเฉยไม่ได้วิตรกไม่ได้วิจารจะใส่อิ่มใจอยู่เสมอน้ำตามันไหลไม่มีวิตรกวิจารปิติสุขมีปิติก็มีสุขเอกกตตา ทีนี่ ม, มันมาถึงในสุดมันก็ไม่มีอะไรนี่ปีติสุขเองก็ไมีอุบเบกขามีเจมันวางปัญนาสมาธิเท่านั้นเราเร า, า, าไม่ต้องพึ่งอะไรมันนะ่ะ ท, ท, ที่ที่หากว่ามันเต็มไปฉะนั้นมันจะเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนต่อต่ อ, ตอกันเรื่อยๆไปมันเป็นขานาอยู่ทีตวิจารปีติสุขอเอกาตา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 มีข้อมูลนอนๆปีติเอเอไ อ, อ, อ, อนิวรังห้านี่หมดนี้อ่าไอความสงสัยดังเดวิจิจิตชาอิจฉาพยาบาทพุ่งซ่านลำพานนี้อันนี้ไม่มีอะไม่มีมีมีมีหมดถงมีอยู่มกกันก็ไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นเรียกว่ามันไม่มีเรื่องสิ่งความสงบปันนี้ครับสิ่งแวดล้อม และเอก็อาบางทีตาเราเนะี่ยรับตาแล้วรืมตายอย่างนี้มันสําคัญอยู่หรืครั บ, บหรือหรือ ย, อยัง ไ, ไงในสิ่งแวดล้อมเพื่อเราในที่ไหนก็เป็นไปได้ถ้าจิตเราลื้อเราจะรืมตารับ ต, ต, ตาไปา ไ, <อ>ได้ไได้ได้ได้แต่ว่าในคณะหนึ่งมันก็สําคัญจําเป็นในคณะที่เราฝึกใหม่แล้วก็จําเป็น แต่ว่าอันนี้มันเป็นอยู่เรื่อยของมันนะด้วยถึงแม้ดับตาดึงตาอ น, นี้มันก็เป็นกับมันอย่างแต่เราไม่เห็นมันจะดีกว่าบางบางแรกมันเมื่อเราไม่เห็นเราสร้างกําลังทางจิตแต่ก่อนให้มันมีกําลังเ น, นี่ยมันมีกําลังในการดึงตาออกมาดูมันอย่างนี้ทีนี้มันมีกําลังเลยเป็นต้นดับตาดึงตามันก็ไม่มีอะไรไม่ได้รับพัฒนาดุดพุทธพุทธพุแล้วแต่ แล้วถ้ามันมีกำลังแล้วแต่ว่าเมื่อเขาพักผ่อนมราก็ต้องดับตานะถ้าเราพักผ่อนก็รีบรปชัางมาเถอะอันนี้มันเป็นที่อยู่ของพระผู้ปฏิบัติในนั่งดับตาอย่างนี้นะคกันโอแสนดีมันจะว่ยายงนี้อันนี้หลักอันนี้มันเป็นหลักใหญ่ของมันใจว่าเมื่อเวลาที่เรา มีเหตุที่จะนั่งรับตาไม่ได้นั้นก็จะสู้กันได้ไห ม, ไ, มได้หนึ่งมันมีกำลังแล้วมันกันได้ไแต่พาเมื่อขั้นหนึ่งก็เรียกว่านั่งรับตาแล้วก็มีมกําไรขึ้นมาอีกจิตขนาดหนึ่งถ้าเราดืมตาเป็นจะสู้ไว้มหมันมหมันมาหมันดันประมาสู้ไว้ไ ไม่ขาดทุนเราสู้ไว้สู้ไว้เฉยๆถ้าเรานั่งหับตานี้มันมีปัญญายิ่งกว่านี่อีนี่เมื่อเราปฏิบัติกิตขนาดหนึ่งถ้าเราจิตวุ่นวุ่นวถึงมันแล้วก็ไม่ืูตารับตาเมืก็เสมอกันอไปแล้็ไม่มีอะไรจะแตกอย่างตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนมันก็เสมอของมันอยู่อย่างนั้นอารมณ์อ่ามันอยู่อย่างนั้น ไม่มีอะไรก็ม pues er. ันอย่างนี้ทุกเกิดกึ้นมาก็ไปเนี่ยเนี่ยมันก็หายไปทุกเกิดกึนมเนี่ยเนเนี่ยอยากคิดเกิดขึมาเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่มังกันอันนี้มันแน่ที่อยากคิดมันจะคิดเขานี่คิดอารมณ์ไม่ได้หึน่งมันอยากคิดหมนเี่ยะเนี่ยแต่กนมันอยากบวชตอนนี้มันอยากไปคิดหึ่เนี่ยมันก็ทิ้ง อันนี้มันแน่แน่แ น, แน่แน่เข้าไปด้วยมันไม่เห็นนี่มืดหนิมืดเ <c oughs> นี้ยคนคนคนโกหกโกหกเรื่อยไปเสียเวลาอย่าง น, น้เสียเวลาอย่างนี้มันว่าของมันไปแ้วเมื่อมันถึกไปมันไม่เสียเวลาเลยมันไม่ได้คิด ฝีกไปทำสวนฝึกไปทำผัวไปเลี้ยงหมูในเสียเวลาดูฝึกไปเลี้ยงงัวเลี้ยงแกเนี่ยนั่นก็ต้องเป็นอย่างนมีอะไรไั้ยอีก until บุรุษเป็นไงบูรุษย ม, มีอะไรเหรอเออเคยมีเนี่ยไม่เคยมีอะไรโอปันโนปันโนเหระครับร่ความทุก์มันผมเว่ามันเป็นสิ่งที่ เ, เห็นอย่างอย่างงเเ็นเาใช่ทไมถ้ามันเีนสิ่งที่เราไ ม, ม่เาทํามันเหนา ถ้ามันเป็นของไม่สบายเท่าไหถ้ามันเป็นอารมณ์สบายใจกวที่มันเ่งเป่ไม่เที่ยงได้หรอเป็นอามไม่สบายใจกว่าได้หรือเป็นอ๋อมันโมหะเป็นมูลรากฐานมากกว่ามั้ไอทีมันไม่ชอบนั้นะมันเป็นง่ายมันเห็นในยากที่มันชอบมันเห็นในง่ายง่ายเด้อ มัน่องคดีเหตุมันเป็นอย่างนั้นอ่ะไอ้ความโกรธมันละอะไรยากเห็นไหมเนี่ยมันแรงไอ้ความสูกนี่รู้มั้มันมันละอะไรง่ายง่ายแต่มันไม่ง่ายเหมือนกันนะแต่มันไม่แรงนะไอ้ความชอบใจเนี่ยไอ้ความสูกเนี่ยนี่คนมันชอบมันก็ดูมันมันละง่ายง่ายนะไอ้ความโกรธนี่คนไม่ชอบมันนะมันไม่รู้จักละมันนะ แต่ความเป็นจริงมันเท่ากันมันเท่ากันพิจารณาไปซึ้งต่อกันทุกขกับทุกข์นี่เท่ากันเลยถ้ามีจาตาช่างเอาไปช่างมันก็เท่ากันแต่เราเข้าข้างทุกข์มากกว่าเท่านั้นเลยมันเลยเป็นของยากไอ้ความเป็นจริงไอ้ความไอ้ความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันไปความทุกข์มันล่ายากเหรอ ความสุขมันละง่ายๆเดี๋ยวนีสิ่งที่เราชอบมันละง่ายสิ่งที่เราไม่ชอบทำไมมันละยากทั้งมันไม่ดีทำไมมันละมันยากไม่ใช่อย่างนั้นคิดใหม่เท่ากันเลยแต่เราไปเข้าข้างมันเฉยๆเราคือคือคือทุกข์เกิดมันลำคาญใจอยากให้มันออกหรอมันมันมันยาก สุกนี่มันพอตัเราซะหน่อยก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกับมันก็เลยว่าสุขมันละง่ายไม่ใช่อย่างนั้นะมันไม่ดีพอใจเราไอ้ทุกข์อย่งมันดีพอใจเราเฉยๆเราตัวนี้ว่ามันมีราคามากความเป็นจริงแล้วมันเท่ากันมันเท่ากันเหมือนกับความร้อนกับความเย็นนั่นแหละร้อนอย่างไฟเผาเราตายก็ได้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 ในยากความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันอเหมือนกันกับเหมือนกันกับเขานินทากับชั้นกะเสริญนี่แหละอ่าอุปนวายชั้นกะเสริญมันจะละง่ายกว่าแล้วมื่อเนินทาทําไมมันละยากสอย่างเนี้เอออย่างนี้ไอความเป็นจริงนั่นมันไม่ใช่ของเล่นมันเข้ากันนะ คืออ่ไไาไอ้เชิญเถื่อนนั้นมันก็ค่อยไม่มีอะไรนะถ้าเขานินทาแต่แม่มันไม่ชอบนะตัวนึกว่ามันละยากนะในความชอบใจแต่มันก็ละยากเหมือนกันแต่เราไปเข้าข้างมันแคห้าสิบเอร์เซ็นต์ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเขาเชิญเถน่อนนะแหหัวแหมันไม่่อยทุกข์อะไร่นะถ้าเขานินทาเฮ้ยไม่ค่อยสบายเดี๋ยวนี้มันก็เท่ากันนั่นแหละ แต่ามาถูกอาการจิตของเรามันมาสัมผัสแต่รู้มันมันมากน้อยก็การจริงก็เราเข้าข้างมันแล้ว เ, เข้าข้างมันงยงหลายอยู่รูปปโนโอเอ อ, เอะไรให้ให้เข้าใจใท่ากับการภาวนานี่ก็ีย ว, ว่าเราเอา่ามันต้องมีทุกอย่างอะไร อันกิเลเนะี่ยมีทุกอย่างแต่ว่าเรายอมรับมันเลยว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นมาเลยว่าสิ่งนี้มันก็สุขหรือทุกข์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ของเราจะละทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าสุขกรบปารธนาทุกข์ม่ปรารธนามันก็มีราคาเท่ากันมันก็ตองมีมาอย่างนี้เป็นของปรารธนาของคนในโลกคือสุขทุกข์เป็นของไม่คนปรารธนา พระนิพพานคือไม่มีปรารถนาเข้าใจไหมพระนิพพานไม่มีปรารถนาอยากได้สุขอยากได้ทุกข์อยากคนสุขอยากคนทุกข์ไม่มีสงบจงสงบแต่ก็ผมว่าการที่จะรู้จริงๆนั่นนะ่ะมันก็ ไม่อาัยคนอื่นคือไอความสงสัยทั้งหลายนั้นให้เราเข้าใจว่ามันจะหายอยู่ในการกระทำของเราอยู่ในการทำเพียงของเราไม่หยุดมันจะไม่หายสงสัยเพราะไปถามคนอื่นมันจะมันจะหายสงสัยเพราะการกระทำไม่หยุดของเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างนี้ปฏิบัตินะน้ันชอรี่เข้าใจไหมละ่ะ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 เป็นหลักปฏิบัติสำคัญมันจะมีความสงสยัยความสงสัยจะอเกิดแห้งไปเพราะการปฏิบัติของเราไม่หยุดพระพุทธเจ้าสั่งพระอนณโมทนาโน น, ออ น, นทำให้มากปฏิบัติให้มากทำให้มากจเจริญให้มากเนี่ยเท่านี้เออ ไอ้ความเปรตผลเกิดขึ้นมามันจะหายความสงสัยทุกอย่างก็การกระทำนี้การกระทำนี้เนี่ยมันจะบอกมันจะสอนเราผิดถูกทั้งหมดจริงๆแล้วอันนี้อันนี้มันจะรู้จักผิดมันจะรู้จักตรงนั่นแหละพรามให้ความเครือบแคลงสงสัย ของครามทั้งหลายเรานั่นจะแท้งไปได้เพราะการทำเพียนไม่หยุดนี่เพราะการกระทำของเราไปทีไห น, นก็ช่างมาเถอะมันจะมาลงลงลงเอืยที่การกระทำของเราไม่หยุดแต่ว่าเราทนมันไม่ไหวมันพุกหลายก็เลยอืมมันทนมันไม่ไหวถ้าเราทนมันไว่ไหวแล้วมันก็มันดูในการกระทำของเรา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 แต่เราก็อยากดูมันเร็วๆนาอัลญะโพนะอัลญโพก็ต้องวิ่งขับๆๆๆๆๆๆเนี่ยวิ่งไปทางนึงมาโน่นสบายก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับไปอีกแล้วอ้สบายเหมือันเดี๋ยวนี้กําลังเจือดร้อนอีกแล้วเดี๋ยวนี้ยกําลังเจือดร้อนอีกแล้ว เป็นจุดขาวแล้วมั้งนี่น่ตองต่อไปบ้างนี่ะวางให้ดีโอดให้ดีเดี๋ยวนี้มันชอบคิดขึ้นมาอะไร